สุกะนิกะเขปะหนึ่งเหตุโคจัจจะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งพ 59, สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นฉไนะเหตุที่เป็นกุศลมีสเหตุที่เป็นอกุศลมีสเหตุที่เป็นอัพยากฤตมีสเหตุที่เป็นกามาวจรมี9เหตุที่เป็นมรูปาวจรมีหเหตุที่เป็นอรูปาวจรมีห เหตุที่เป็นโลกุตระมี6 1ห6 0บรรดาสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นกุศลสามเป็นฉไนเหตุที่เป็นกุศลสามคืออโลภะอโทสะและอโมหะหนึ่บรรดาเหตุที่เป็นกุศลสามนั้นอโลภะเป็นฉไนความไม่โลภกิริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กำนัดกิริยาที่ไม่กำนัดภาวะที่ไม่กำนัด ความไม่เพ่งเล็งกุศลมูลคืออะโลภะนี้เรียกว่าอโลภะ1062อโทสะเป็นไนะความไม่คิดประทุษร้ายกิริยาที่ไม่คิดประทุษร้ายภาวะที่ไม่คิดประทุษร้ายความมีไมตรีกิริยาที่สนิทสนมภาวะที่สนิทสนมความเอ็นดูกิริยาที่เอ็นดู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 สัมมาทิฏฐิที่มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอมโมหะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นกุศลสามหนึ่งพับรรดาสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นอกุศลสามเป็นชไหนะเหตุที่เป็นอกุศลสามคือโลภะโทสะและอมโมหะหนึ่งหบรรดาเหตุที่เป็นอกุศลสามนั้นโลภะเป็นชไหนะ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 ความหวังรูปความหวังเสียงความหวังกลิ่นความหวังรสความหวังโผฏฐะความหวังลาภความหวังทรัพย์ความหวังบุตรความหวังชีวิตธรรมชาติที่กระสิบธรรมชาติที่กระสิบทั่วธรรมชาติที่กระสิบยิ่งความกระสิบกริยาที่กระสิบภาวะที่กระสิบความละโมบกริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบธรรมชาติเป็นเหตุตมสารไป ภาวะที่ใคร่แต่อารมณ์ดีๆความกำหนัดในฐานะอันไม่ควรความโลภเกินพอดีความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระหิ่มใจความปรารถนานักกามตันหาภวะตันหาวิภวตันหารูปตันหาอรูปตันหานิโรธตันหารูปปตันหาสัทธตันหาคันทตันหา รสตันหาโพธพพันหาธรรมตันห า, รรนหาโอคะโยคะคันทะอุปาทานอาวรนิวรเครื่องปิดบังเครื่องผูกอุปกิเลสอนุสัยปริยุท ธ, ธานตันหาเหมือนเถาวันความปรารถนาและติดอยู่ในวัตถุมีอย่างต่างๆมูลเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกทุกขสมุทัยบวงแห่งมารเบ็ดแห่งมารวิสัยแห่งมารตันหาเหมือนแม่น้ำ ตันหาเหมือนขายตันหาเหมือนเชือกตันหาเหมือนสมุดอภิชาอากุศลมูลคือโลภะนี้ชื่อว่าโลภะหนึ่งพัโทสะเป็นไนความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสียแก่เราความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียแก่เราความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทําความเสื่อมเสียแก่เรา ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียกำลังทำความเสื่อมเสียจะทำความเสื่อมเสียแก่คนที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้เคยทำความเจริญกำลังทำความเจริญจะทำความเจริญแก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควร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 ปริยุทธานคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอากุสรมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโมหะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นอคุศลสามหนึ่งพับรรดาสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นอัพยากฤิตสามเป็นไนะอโลภะอโทสะและอโมหะฝ่ายวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศล หรืออโรมะอโทสะและอโมหะในสภาวธรรมที่เป็นอภยากตกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นอภยากฤตสามหนบรรดาเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นกามาวจรเกเป็นไนเหตุที่เป็นกุศลมีสมเหตุที่เป็นอกุศลมีสมเหตุที่เป็นอภยากฤตมีสามสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุ ที่เป็นกามาวจรเก้าหนึ่บรรดาสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นบรูปาวจรหเป็นไนเหตุที่เป็นกุศลมีสเหตุที่เป็นอัพยากฤิตมีสสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นบรูปาวจรหกหนึบรรดาสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นอรูปาวจรหเป็นไน เหตุที่เป็นกุศลมีสเหตุที่เป็นอพยกริตมีสสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นอรูปาวจรห1072ันดบรรดาเหตุเห ล, ล่านั้นเหตุที่เป็นโลกุตระหกเป็นไนเหตุที่เป็นกุศลมีสม <ian> เหตุที่เป็นอัพยกริตมีสสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นโลกุตระหก หนึ่บรรดาเหตุที่เป็นโลกุตระหเหล่านั้นเหตุที่เป็นกุศลสามเป็นฉนะเหตุที่เป็นกุศลสามคืออโลภะอโทสะและอโมหะหนึ่บรรดาเหตุที่เป็นกุศลสามเหล่านั้นอโลภะเป็นชนะความไม่โลภ์กริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กำหนัดกริยาที่ไม่กำหนัด ภาวะที่ไม่กำหนักความไม่เพ่งเล็งกุตลรมูลคืออโลภะนี้เรียกว่าอโลภะ 1,075 อโทสะเป็นฉไนะความไม่คิดประทุษร้ายกริยาที่ไม่คิดประทุษร้ายภาวะที่ไม่คิดประทุษร้ายความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุตลรมูลคืออโทสะนี้เรียกว่าอโทสะ 1,076 อโมหเป็นไนะ ความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกคนิโรดความรู้ในทุกคนิโรทคามินีปฏิปทาความรู้ในส่วนอดีตความรู้ในส่วนอนาคตความรู้ในส่วนอดีตและอนาคตความรู้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรร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 ปัญญาปัญญินสีปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนปราศาสต์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้ชื่อว่าอโมหะ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป ah, um oh ็นกุศลหนึ่งพัเจหตุที่เป็นอัพพยากฤิษสามเป็นชไหนอโลภะอโทสะและอโมหะฝ่ายวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นอัพพยากริษสาวรรมสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุ หนึ่งเจ็ดสดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นชไหนเว้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤิที่เหลือเว้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์เด็กแกเวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเ ok หล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุสเหตุตุกะทุกกะหนึสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นฉไนสภาวธรรมที่มีเหตุได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุห0ึ่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นฉไนสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมด และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุ 3. เหตุสัมบัติทุกกะหนึ่ันแปดสิบเอสภาวธรรมที่สัมบัติได้เหตุเป็นไนสภาวธรรมที่สัมบัติได้เหตุได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี <uj> ้ช <skin, uri f> ื <im> ่อว่าสัมยุติได้เหตุ1น8 2สภาวธรรมที่วิบัติจากเหตุเป็นไน สภาวธรรมที่วิปยุจจากเหตุอันได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากเหตุ 4. เหตุสหเหตุตุกกะทุกกะ 1083. สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุเป็นไฉโลภะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโมหะโมหะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโลภะ โทสะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโมหะโมหะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโทสะอโลภะอโทสะและอโมหะนั้นเป็นเหตุและมีเหตุเพราะอาศัยกันและกันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและมีเหตุหนสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นชะไหนเว้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่มีเหตุได้แก่ เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ 5. เหตุตุเหตุตุสัมปยุตตะทุกกัดสสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเป็นไนโลภะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโมหะโมหะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโลภะโทสะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโมหะ โมหะเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุเพราะโทสะอโลภะอโทสะและอโมหะนั้นเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุเพราะอาศัยกันและกันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุ1นึ่สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นฉไนเว้นสภาวธรรมเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยเหตุอันได้แก่เวทนาขัน วิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตไ ด, ด้เหตุแต่ไม่เป็นเหตุ 6. นาเหตุต ah ุกเสเหตุต ah ุกะทุกกะหนึ่ัดสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นชไหนสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ หนึ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นฉไนะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเหตุุโคจัตะกะจบสองจุรันตระทุกกะหนึ่งสัพปัจญญทุกกะ หนึ่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นฉนะัยขันห้าคือ 1. รูปปัจฉันสองเวทนาขันสามสัญญาขันสี่สังขารขันห้าวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจัยปรุงแต่งห0ึ่สภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นฉนะัยธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสองสังคตะทุกกะัสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นฉไหนสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งหนสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นฉไหนสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สสนิทัศนะทุกข์หนึ่งพก้าสิบสาสภาวธรรมที่เห็นได้เป็นฉไนะรูปายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นได้หนึ่งพันสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นฉไนะจักขายตนะโพธายตนะเวทนาขันวิญญาณขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้ 4. สีสัพติฆะทุกกะหนึ่งพาสหสภาวธรรมที่กระทบได้เป็นไฉนิกขายตนะโพธพายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากระทบได้หนึ่งพัสสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นไฉนเวทนาขันวิญญาณขัน รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้ห้ารูปีทุกกะหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นฉนหะนมหาภูต ร, รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูป หนึ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นไฉนะเวทนาขันวิญญาณขันและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปหโลกียะทุกกะหนึ่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะเป็นไฉนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกิยะ 1,100 สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นฉนหยมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัฏจัุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกุตระ เเกณฑจิวิญเยยทุกขะ1 1ึ่สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้และจิตบางดวงรู้ไม่ได้เป็นฉไนสภาวธรรมที่จะขุวิญญาณรู้ได้แต่โสตวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่โสตวิญญาณรู้ได้แต่จะขุวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่จะขุวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้ หรือสภาวธรรมที่คาณวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่จักขุวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่จักขุวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่ จักขู่วิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่โสดวิญญาณรู้ได้แต่คาณวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่คาณ์วิญญาณรู้ได้แต่โสดวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่โสดวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่โสดวิญญาณรู้ไม่ได้ สภาวธรรมที่โสตวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่โสตวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่โสตวิญญาณรู้ได้แต่จักขบวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่จักขบวิญญาณรู้ได้แต่โสตวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณ รู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่ทิวหาวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้ หรือสภาวธรรมที่จะกุบวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่โสดวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่โสดวิญญาณที่รู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้ หรือสภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่จิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่จิวหาวิญญาณรู้ได้แต่จักขบวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่จักขบวิญญาณรู้ได้แต่จิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่จิวหาวิญญาณรู้ได้แต่โสดวิญญาณรู้ไม่ได้ ห ร, หรือสภาวธรรมที่โสดวิญญาณรู้ได้แต่จิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่จิวหาวิญญาณรู้ได้แต่คาณวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่คาณวิญญาณรู้ได้แต่จิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่กาวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้ หรือสภาวธรรมที่จกักุวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้ aman. แต่โสดวิญญาณรู้ไม่ได้ Wen หรือสภาวธรรมที่โสดวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่คณะวิญญาณรู้ไม่ได้ หรือสภาวธรรมที่คานวิญญาณรู me, ้ได้ angi, แต่กายวิญญาณรู systems, station, ้ไม่ได้สภาวธรรมที่กายวิญญาณที่รู้ได้แต่จิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่จิวหาวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่าจิตบางดวงรู้ได้และจิตบางดวงรู้ไม่ได้จูลันตระทุกขะจบ 3. อาสวะโคจจกะ 1. อาสวะทุกกะ 1,102 ัสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นไนอาสวะสคือ 1. กามาสวะสองพวาสวะสทิฏฐาสวะสอวิชชาสวะ 1,103 ันบรรดาอาสวะสี่นั้นกามาสวะเป็นไน ความพอใจในกามความกำหนัดในกามความเพลิดเพลินในกามตัณหาในกามสิเนหาในกามความเร่าร้อนเพราะกามความลุ่มหลงในกามความหมกมุ่นในกามในกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามาสวะหพรภาวะสวะเป็นไนความพอใจในภพความกำหนัดในภพความเพลิดเพลินในภพตัณหาในภพ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 S 1 guys, ants, surgeons, interior, darkness, uh, alities, 1 ety. ึอวิชชาสวะเป็นไฉไรความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกคสมุรไทยความไม่รู้ในทุกคณิโรธความไม่รู้ในทุกคณิโรธคามินีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ในส่วนอดีตและอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมี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 อวิชชาโอคะคืออวิชชาโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุท ธ, ธานคืออวิชชาลิมคืออวิชชาอากุตรมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอวิชชาสวะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่เป็นอาสวะ 1,107 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะเป็นฉะไหนเว้นสภาวธรรมที่เป็นอาสะวะเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยกฤะที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจร อ, อรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตถุก ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอาสวะสองสาสวะทุกขะ1108งสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นฉนะไหนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากริซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะ1109สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัฏจัตุกข์และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี asm, ้ช so, ื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 3. อาสวะสัมปยุตตะทุกกะหนึ่งสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นฉไนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอาสวะหนึ่งพัสภาวธรรมที่วิปยุตจาก อาสะวะเป็นไนสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสะวะได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอาสะวะ 4. อาสะวะสาสะวะทุกกะ1112สภาวธรรมที่เป็นอาสะวะและเป็นอารมณ์ของอาสะวะเป็นไน สภาวธรรมที่เป็นอาสวะชื่อว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ1113สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นไนสภาวธรรมเป็นอารมณ์ของอาสวะเว้นอาสวะเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยกฤะษซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ เป็นกามาวาจรรูปาวาจรและอรูปาวาจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ 5. อาสวะอาสวะสัมปยุตตทุกกะ1114สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเป็นฉไน กามาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเพราะอวิชชาสวะอวิชชาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเพราะกามาสวะภาวาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเพราะอวิชชาสวะอวิชชาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเพราะภาวาสวะ ทิฏฐาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเพราะอวิชชาสวะอวิชชาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเพราะทิฏฐาสวะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะหนึ่งพหนึ่งรสห้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นฉะไหน เว้นสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ 6. อาสวะวิปยุตตาสาสวะทุกกะ 1,116 สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะแ ต, copper, muscle, religion, ต radas, ่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไฉนสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเด็กแกสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากริตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจร ได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหนึ่งหนึ่งสเจสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นฉะไหนมรคผลของมรที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะโคจชกะจบปัธรมภาณวานในนิเข ป, ปกันจบสสัญโยชนะโคจชกะหนึ่งสัญโยชนะทุกก ะ, ะ 1,118 สภาวธรรมที่เป็นสังโยชเป็นไนะสังโยนสิบคือหนึ่ง กามราคะสังโยชน์สปฏิฆะสังโยชน์สมานะสังโยชน์สทิฏฐิสังโยชน์หวิจิกิจฉาสังโยชน์หกศีลพัตปรามาสสังโยชน์เจวราคะสังโยชน์อิจสาสังโยชน์มัชริยสังโยชน์สอวิชชาสังโยชน์หบรรดาสังโยชน์สนั้นกามราคะสังโยชน์เป็นไน ความพอใจในกามความกำหนดในกามความเพลิดเพลินในกามตัณหาในกามสิเนหาในกามความเร่าร้อนเพราะกามความลุ่มหลงในกามความหมกมุ่นในกามในกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามราคะสังโยชน์หนึ 1, ปฏิฆะสังโยชน์เป็นไนะความมาคาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสียแก่เรา ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียกำลังทำความเสื่อมเสียจะทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเจริญกำลังทำความเจริญ จะทำความเจริญแก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบกระทั่งความแค้นความเคืองความขุนเคืองความพลานไปโทสะความคิดประทุตร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุนจิตธรรมชาติที่ประทุตร้ายใจความโกรธ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 นี้เรียกว่าปฏิฆังยตหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดมานะสังยตเป็นไนความถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเลวกว่าเขาความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความยกตนความอวดตนความเชิดชูตนดุดทงความยกตนขึ้นความที่จิตต้องการเป็น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 ความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลทัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปปะลามีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐิสังโยชน์เว้นศีลับพระธรามาสังโยชน์แล้วความเห็นผิดแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐิสังโยชน์ 1,123 วิจิกิจฉาสังโยชน์เป็นไนะปุถุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาในธรรมในพระสงค์ในสิกขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตในส่วนอดีตและส่วนอนาคตในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีความเคลือบแคลงกริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลง ความคิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองทางความเห็นเหมือนทางสองแพร่งความสงสัยความไม่สามารถถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพราไปความไม่สามารถยังลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉาสังโยชน์ 1,124 งพันหร้อยศีลพตา마สสังโยตเป็นไฉนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่จารสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยตคือทิฏฐิ ความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลทัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาศมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลพตัตตปรามาตา 1, าาาสังโยชน์หนังยภาวะราคะสังโยชน์เป็นฉไนความพอใจในภพความกำหนัดในภพ ความเพลิดเพลินในภพตัณหาในภพสิเนหาในภพความเร่าร้อนเพราะภพความลุ่มหลงในภพความหมกมุ่นในภพในภพทั้งหลายนี้เรียกว่าภวะราคะสังโยชน์หนึ่อิอิจสาสังโยชน์เป็นฉไนะความริษยากริยาที่ริษยาภาวะที่ริษยา ความกิดกันกิริยาที่กิดกันภาวะที่กีดกันในลาบสักการะความเคารพนับถือไหวและบูชาของคนอื่นนี้ชื่อว่าอิจสาสังโยชนึันสมัชริยสังโยตเป็นไฉไหนมัชชริยะ5คือหนึ่งอาวาสมมัชริยคือความตรรณีที่อยู่สอง กุลมัชฌริยะความตรณีตระกูลสลาภมัชฌริยาตรณีที่ลาสี่วั น, นมัชฌริยาตรณีที่วันนะหธรรมมัชฌริยาตรณีธรรมความตรณีกิริยาที่ตรณีภาวะที่ตรณีความหวงแหนความเหนียวแน่นความไม่เอืดเฟือ้อความไม่เผื่อแพร่แห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามัชฌริยาสังโยชน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 ความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุท ธ, ธานคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอากุตรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาสังโยชน์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสังโยชน์หนึ่พหน่ยสภาวธรรม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 ที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นสังโยชน์สองสัญโยชนิยทุกกะ1 1ึ่งพสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากริตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรูรปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูป วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ห1ึ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไนมรคผลของมรคที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สสัญโยชนะสัมปยุตตทุกกะ หนึ่สภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสังโยชตเป็นไฉหนสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสังโยตอันได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุต ด, ด้วยสังโยชหนึ่งพัสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชตเป็นไฉไหน สภาวธรรมที่วิปปยุตจากสังโยชนเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปปยุตจากสังโยชน์ี 4. สัญโยชนะสัญโยชนิยทุกกะ1134สภาวธรรมที่เป็นสังโยชนและเป็นอารมณ์ของสังโยชนเป็นชไหนะ สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน่อว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หนึ่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นฉไหนสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เว้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์แล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ เป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ 5. สัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตทุกกะหนสาสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นฉนะ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 ภระวราคาสังโยชตเป็นสังโยชตและสัมยุญด้วยสังโยชนเพราะอวิชาสังโยตอวิชาสังโยตเป็นสังโยชตและสัมยุญด้วยสังโยชเพราะภวราคาสังโยตอิศสาสังโยชตเป็นสังโยชตและสัมยุญด้วยสังโยชนเพราะอวิชาสังโยตอวิชาสังโยชตเป็นสังโยชตและสัมยุญด้วยสังโยชนเพราะอิศสาสังโยต มัชชริยสังโยชน์เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์เพราะอวิชชาสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์เพราะมัชชริยะสังโยชน์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์หนึ่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นฉไหนเว้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เหล่านั้นแล้ว สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชนอันได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสังโยตแต่ไม่เป็นสังโยตห 6. สัญโยชนะวิปยุตตะสัญโยชนยะทุกกะ1138สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยชตเป็นไฉนสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยชต คือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยต 1,139 สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไฉนมัจผลของมัจที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สัญญโนะโคจัตชะกจบ